بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين و ا ل ع و ا ب إلا على الظالمين صلوا وسلموا على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم أما بعد السلام عليهم ورحمة الله وبركاته ما سبب د ك ن لاو رين ของก้าเป็นมาลิกและพวกและพวกซึ่งเกี ب ب ่ยวข้องกับอ้อันหนึ่งหที่อัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى บอกว่าแล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านนบี صلى الله عليه وسلم ซึ่งถือว่าเป็นบาปเป็นเป็นเป็นความผิดใหญ่ที่สูรบอึดตัดาะ ได้กล่าวถึงและกล่าวถึงบาปหรือความผิดของพวกมุนาฟิกอื่นๆแต่สำหรับกลุ่มที่ไม่ไดีออกไปสู้รบกับท่านนาบี <c oughs> ก็มีหลายกลุ่มกลุ่มที่มามาแอบอ้างข้ออ้างต่างๆและมาสาบาน ถึงความบริสุทธิ์ของเขาและท่านนาบีก็ได้รับภายนอกของเขาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบแต่เราได้มาแฉความมุเตสของเขาและมีีกลุ่มหนึ่งที่เขาได้อ้างเหตุผลที่ท่านนาบีสุลต่านรับและมันเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาและข้ออนุโลมที่เราให้อยู่แล้ว แต่มีกลุ่มนึงที่มสารภาพกับท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลแลมแล้วก็ไม่ยอมที่จะออกจากมัสยิดที่มามัดตัวที่มัสยิดไม่ยอมออกจากมัสยิดจนกว่านบีจะให้อภัยนะก็เราก็ให้อภัยกลุ่มของอบดุลบาบะและพวก แต่มีกลุ่มหนึ่งที่เขามาสารภาพกับท่านนะีว่าเขาาเขาบกพร่องจริงแล้วเขาไม่มีเหตุผลที่จะไม่ออกไปสู้รบกับท่านนะีแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ทําเหมือนกลุ่มอบูลูบะบาอันนี้กลุ่มนี้ท่านนะี่สุลต่านั่นแหละมันก็ปล่อยให้พวกเขาต้องรอรอคอยอภไรโทษจะก็รอสุภานโนวดาละโดยเจาะจงอันนี้ที่อัลลอฮฺได้บอกว่าค้ารู้น้นมุรจูนลีอัมริลลั มีชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังรอคำบัญชาของ a l l a ซึ่งคำบัญชาของ a l l a ่เดีอย่จะมาที่หลังนี้เป็นอายะที่เจาตรงเรื่องราวของสามคนนี้แต่เราได้เล่าเรื่องกามิมาเล็กแล้วก็มาเรื่งงานฮะดีสของกามิมาเล็กที่ยาวในบุคอรีและมุสลิมเพื่อเป็นเนื้อหาพิเศษสำหรับบรรยายหรือตักซีรข้างกอน ที่มีโวชนจะค่ายมาร่วมฟังกับเิดด้วยอันนี้เราก็จะมาลำดับตามอายะในสุรเสตุปะตกลงดูเรื่องของการไม่รู้จะย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะข้างหน้านะแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะรายละเอียดเนี่ยองเรื่องราวของการมา้เล่าไ ป, ไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของกลุ่มมุนาฟิกีนอีกกลุ่มหนึง่ง กลุ่มร้ายแรงเหมือนกันซึ่งเป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้ออกไปไปรบกับท่านนาบีสุลตวลสแล้วยังทำความผิดซ้ำอีกด้วยนั่นก็คือกลุ่มเขาเรียกกันกลุ่มมัสยิดอับดรอร์กลุ่มที่สร้างมัสยิดเพื่อความเสียหาย สร้างมาสืบเพื่อความเสยียถ้าเราเรื่องราวของกลุ่มนี้เข้าๆแล้วก็ค่อยมาอ่านเราจะได้เข้าใจอะยะตามเนื้อหาที่ได้เล่าให้พี่น้องฟังนะครับก่อนที่ท่านนาบีจะไปมาดีนาเนี่ยโอเคยบจากมกักกะไปมาดีนามีคนหนึ่งจากเบนยามริบเนาอฟ ซึ่งเบญอัมรานี่ก็เป็นชาวขัรจมาดีน่านี่มีอยู่สองเผ่าหลักๆอัสหลักขัสรจและสอเผ่านี้แหละครับที่เขาส่งตัวแทนไปมักกะไปทำฮาจแล้วก็พบกับนบีเชิญชวนท่านนบีกลุ่มขัสรจนี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันกลุ่มเบญอัมร์และเบอัฟนี่แหละที่อาศัยอยู่ที่กุบาตาบลกุบะ ละกุบ้านี่จะเป็นตำบลที่ก่อนใครมาจากมาการ์จะเข้ามาดีนะก็ต้องผ่านตำบลกูบ้านเนี่ยท่านนบีก่อนที่จะเข้ามาดีนะก็มาพักแรมที่กุบ้าและสร้างมัสยิดแห่งแรกในตำบลกูบ้านเนี่ยแล้วก็เผ่าขัสรจที่อยู่ที่กูบ้านีมีคนหนึ่งชื่ออะบูรามร ขั้นรจีนีอับูอามรในช่วงเจฮาเลียเป็นคนเข่งขัดเป็นคนศึกษาเรียนรู้สอบเรียนศาสนาต่างๆจนได้พบพบตัวเองกับศาสนาคริสและได้เข้าศาสนาคริสเขาถือว่าตัวเองเนี่ยได้มีมีของเหนือกว่าไอ้พวกที่อยู่ที่ เมืองเยสริปเนี่ยเมืองมาดิน่าเนี่ว่บูชาเจวิตแต่เขาเนี่ยเขาเาได้มีศาสนาแห่งฟ้าเขาก็สถาสถาบนาตัวเองว่าน่าจะเป็นผู้นำศาสนาที่สำคัญที่สุดในเมืองเยสริปซึ่งเป็นชื่อของเมืองมดิน่าจนกระทั่งได้ชายาว่าอบอาเมอรอโรฮิ้รฮิเปียบบาทหลวง พอเข้าเค่งคัดในศาสนาคริสต์ขยันขยันทำธรรมะทำทำบุญทำความดีแน่นอนในยุคนั้นนะ่ะคาบสมุทรอาหรับนี่เขาเาไม่ไม่ไม่เ า, าไม่มีหรอกคนที่จะเค่งศาสนาไม่มีละหมาดทั้งวันทั้งคือนอย่เียไ ม, ม่มีอาหรับเขาไ ม, ไม่เคยพบเรื่องนี่แต่พอเจออบูอามรซึ่งเป็น คนในหมู่คณะของเขาเนี่ยเขาก็เลยยอมที่จะให้อบูฮาเบรรี่เป็นผู้นําของเขาพอท่านนบีเริ่มประกาศศาสนาอิสลามชาวมดีนาเนี่ยั้งอูซและขุซรุษเนี่ยเฮกันไปไปชวนท่านนบีอพยพมาอยู่ที่มดีนาจะได้เป็นผู้นําของเขาอบูฮานเบรรี่ก็ รู้สึกอิจฉาว่าท่านน บ, บีมุฮัมมัดนี่ก็จะมาครองหัวใจของพี่น้องของเขาเขาก็เลยไปไปขอความช่วยเหลืออันนี้ช่วงแรกนะพาท่านอับดีอพยพไปแล้วนี่ก็ดิน้นทนไม่ไหวแลก็ไปไปหาชาวมักกะ ช่วงนั้นช่วงหลังสงครามบัตรพอสงครามบัตรนี่มุสลิมชนะโอ้นบีก็ยิ่งดาวรุง่งเลยอ่ะเขาก็ยิ่งอิจฉาเขาก็เลายไปหาชาวมักกะจะได้ให้ความร่วมมือในการโจมตีท่านนบีก็เลยประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จที่แบบว่าไปให้ความร่วมมือกับชาวมักกะที่มาสู้รบกับท่านนบีที่สงครามโมฮดแล้วก็มุสลิมพ่ยแพ้ เขาก็เริ่มมีความหวังเริ่มมีความหวังที่จะกลับมาเป็นผู้นำที่ที่มัดีนาแต่ในสงครามอุฮุดเนี่ยช่วงแรกก่อนที่จะปะทะกันเขาก็คุยหมายถึงว่าเรียกพี่น้องของเขาญาติพี่น้องของเขาชาวคาซร์ชินให้มามาอยู่กับเรานี่เราเราจะมี ก็ได้แต่พี่น้องของเขาแท้ๆนี่ก็ออกมาดา่าด่าบวชหมบอกว่าผมบอกว่าขอแช่งตัวเองจะทําอะไรลเลอะเทอะใช้ไม่ได้เขาก็เลยสิ้นหวังแล้วบอกว่ผมทําอะไรไม่ได้แต่เขาก็ยังยังคงมีสมุนของเขาก็คือพวกมุนาฟิกทํำยังไงดีอ่ะเขาก็เลยอพยพไปอยู่นูนะ่นไปอยู่ ไปอยู่ที่ซีเรียซึ่งตอนนั้นก็เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจะได้ไปโจมตีท่านนบีสโลสอยู่ที่นั่นจนถึงสงครามตะบุกตั้งแต่สงครามอโขดนิดสงครามตะบุก น, นี่ปีที่สามอโขดนี่ปีที่สามตะบุกปีที่ปีที่เอ่ปีที่เก้าก็กี่ปีละหกปี เฮเรคลีสกษัตริย์ของโรมันบอกว่าเดีช่วยเดี๋ยวจะส่งกองทัพให้ช่วยไปโจมตีมาดีนาเลยซึ่งน่าจะเป็นแผนเดียวของกษัตริย์โรมันที่เขามีแผนจะยกทัพสองแสนไปบุกคาบสมุทรอาหรับและอาจจะส่งส่วนกองทัพเนี้ยที่จะไปยึดเมืองมาดีนะโดยที่จะมีไส้ศึกไส้ศึก ก็คือพวกมุนาบิกีนแลวก็เป็นพรรคพวกของอบดุลฮมิดอัลรบ์อับดุลฮมดอัลไรบ์นี่ั้งแต่สงครามอุฮุดนี่ตั้งแต่เผยตัวเองนะท่านนบีให้ชายาว่าอับดุลฮมดอัลฟาสิกฟาสิกแล้วบอกกับเขาว่าเจ้าอยู่ตรงไหนข้าจะสู้รบกับเจ้า อบอามรอร่อยได้วางแผนกับพรรคพวกของเขาที่เป็นพวกกลุ่มขุนาฟกินว่าให้เตรียมสถานที่เรียกคนระดมคนมาเตรียมพร้อมถ้าฉันได้นำกองกำลังบุกมาดีน่าเนี่ยพวกคุณจะได้มามาสมทบมาช่วยแล้วเราก็จะมีแหล่ง มีมีสถานที่รวมตัวกันได้ซึ่งสถานที่ที่จะแฝงตัวทำไม่ให้ใครรู้ถึงแผนอุบายของเขานี่อุบายของมุณาฟิกก็จะต้องเป็นสถานที่ที่กลมกืนหน่อยสถานที่ดูแล้วไม่น่าจะสงสัยอะไรดีอะสร้างมัสิสร้างมัสิด เป็นแผ่นเป็นแผ่นเก่าแก่นะไม่ได้สร้างมัสยิดเพื่อเผยแผ่อิสลามไม่ได้สร้างมัสยิดเพื่อไอ้บาดาตอรอแต่สร้างมัสยิดเพื่อจุลธีอิสลามเป็นแผ่นเหมือนแผ่นเก่าแก่นะ่กะก็ได้สร้างมัสยิดจริงแล้วก่อนที่ท่านนาบีจะออกไปสงครามตะ บ, บูกเนี่ยกลุ่มนี้ก็เลยไปหาท่านนบีบอกว่าเรา a a ได้สร้างมัสยิดสําหรับคนอ่อนแอคนแก่ที่เดิน ไปไกลไม่ไหวคนที่จะเดินไปมสัสยิดกุบะไม่ไหวซึ่งเขาอยู่ในตำบลเดียวกันนะนะมสัสยิดเนี่ยอยู่ในตำบลเดียวกันโอ้ก็ไปกูบะนี่ไม่ไหวเดี๋ยวราจะรู้ว่มามันห่างจากกุบะเทา่าไหร่ขอให้ท่านนบีนี่มาล้วมาที่มสัสยิดของเราจะได้เป็นบารการนะนบีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปจะไปสุรบก็ุ่มนี้กลุ่มมูนาวิกินา่าจะเป็นกลุ่มที่มา มาอ้างเหตุผลจะได้ไม่ไปสู้รบกับท่านนบีศสอลต่านสุลต์ด้วยบางรายงานบอกว่าส่วนมากนี่ก็เป็นพวกชาวคาซัลช์ที่อาวุโสอายุมากแล้วและน่าจะเป็นพวกที่เสียผลประโยชน์จากการที่ท่านนบีศสอลต่านสุลต์มาบริหารปกครองมานิดหนึ่งนบีบอกว่าขากลับนะถ้ากลับมาจากตบูกแล้วว่าน่าด๋ยวจะมาละมานมาละมานใช่ ขากลับมาีนท่านนบีสุลลอัลลอฮ์อะไรสัลลัมก็ตั้งใจพี่จะไปละหมาดจริงแต่ก่อนที่จะถึงมาดีน่าในนบีพักอยู่สถานที่แห่งหนึ่งอัลลอฮ์ سبحانه และก็ประทานอาญาเหล่านี้ลงมาได้แฉพฤติกรรมของเขาเขาไม่ได้สร้างมัสยิดเพื่อหลอกเขาสร้างมัสยิดเพื่อจุมตีศาสนาอิสลามท่านนบีก็เลยสั่งให้เผามัสยิดนี้ หรือมสศิลแล้วกระเพาะมาศิลคนที่อยู่เบื้องหลังมสศิลนี้เนี่ยมีรายชื่อมีอยู่รายชื่อชาติจีนเน่ยที่นักประวะัติศาสตร์ได้รายงานชื่ออยู่เบื้องหลังนี้เนี่ยสิบสองคนซึ่งส่วนมากนี่ก็เป็นชาวเบญามรือเบญาอฟนี่แหละแตมีเรื่องแปลกที่น่าสังเกตอบูอาามิรอัลรอฮ์ ซึ่งนบีแช่งเขาน่ะบอกว่าขอให้เจ้าเนี่ยเสียชีวิตในพื้นที่ที่ไม่มีใครอยู่เลยปรากฏว่าหลังจากที่าสักข้อศสนาขึ้นสลักกับแลว้วก็ไปพักอาศัยอยู่ในแผ่นดินของโรงมนันตอนนั้นนะ่ะก็ไปถึงเมืองกินนิสเตรีนตอนนี้เนี่ยกินนิสเรีนอยู่ตรุรกีแต่ตะเขานุ่นน่ยอยู่ในอาณาจักรโรมันนะ่ะและก็เสียชีวิตคนเดียวตาที่ท่านนบีดุอาแช่งลูกชายของอบบาาบอัลไรฟ์เนี่ย ชื่อฮังเซล่าและฮังเซลานียในสงครามโมฮต์สงครามสงครามน่าจะเป็นสงครามโมฮต์แบกมากเลยฮังเซล่านี่ลูกชายของหัวโจกของมูนาฟิกนะไปแต่งงานกับลูกสาวของอับดุลไลบ์นี่อุบายนีนิสรุลหัวโจกอีกคนแต่ลูกทั้งสองนี่เนี่ยสุภาพนั่นแหละเป็นผู้ศรัทธาที่ยอดเยี่ยม แต่งงานคืนแรกเนี่ยคืนแรกเลยนะยังไม่รู้ว่าท่านนบีจะออกไปสู้รบก็ร่วมหลับนอนกับภรรยคืนแรกเลยแล้วก็ประกาศของท่านนบีว่าให้อาลจิฮันออกไปิฮียออกไปเลยโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำเสีนาบะหังซลลัห์ชื่อฮังซัลลัละเสียชีวิตในสงครามนั้น ท่านบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมเว่าฮันซาลฮะฮันซาละยุนาอิบอกว่ากอบะฮะท่านนบีไปดูฮันซาละบอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นมาอะไรก็มามาล้างมาอาบน้ําให้ไปถามดูสิอะไรเกิดขึ้นเพอไปสืบมาบอกว่ากับร่วมหลับนอนคืนแรกเลยและยังไม่ได้อาบน้ําชนะบางรายงานบอกว่าทาว่าไปดูเนี่ยปรากฏว่ามีรอยน้ําน้ําที่สีสับ ซึ่งในสงครามไม่น่าจะมีนะใครจะมานั่งล้างหัวตอนสูร้รบฮังซอราเนี่ยก็คือลูกอบูอามหัวโจกมุนาฟิ ก, ก็เป็นเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะครับว่าในสังคมมาดีนะที่เราได้เห็นคือค อ, อิสลามเนี่ยเสมือนน้ำบริสุทธิ์ แน้ําบริสุทธิ์เนี่ยเวลาทําความสะอาดเนี่ยเราจะรู้เลยที่ไหนนี่คือที่สะอาดแล้วก็ไอ้นาจาซาที่มันถูกชําระไปเนี่ยที่ถูกไล่ด้วยน้ําบริสุทธิ์เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนอิสลามแบบนี้อิสลามเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่หลังไหลยอย่างรุนแรงมายังเมืองมาดีนาะจึงชําระชําระ พลเมืองที่อยู่ในเมืองมาดินาเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยคนที่คนที่มีปัญหาในเรื่องนิฟากเนี่ยเขาต้องเคลียร์ตัวเองต้องฝักไฝให้ได้ก็หลายคนที่เขาสามารถเตาบัด ต, ตัวได้แล้วก็เป็นผู้ศรัทธาแต่มีคนที่เคลียร์ตัวไม่ได้นั่นก็คือนายซาโมฮันลอซอนี่คือสิ่งนจิสติมันโศกมากที่เคลียร์ตัวเองไม่ได้ก็ต้องปลีกตัวออกไปอยู่เป็นกลุ่มๆซึ่งส่วนมาก คนที่มีมวลทินในตัวเองเนี่ยถ้ามุลทินมันเยอะกว่าความดีนะเขาจะอยู่กับคนดีไม่ได้เขายคนดีไม่ได้ดูคำนวณความดีกับความชั่วในรายบุคคลเนี่ยถ้าความชั่วนี่มากกว่าความดีเนี่ยคนคนนั้นนะจะอยู่กับคนดีไม่ได้ คนดีก็เชนเดยแต่ความดีนี่มากกว่าความชั่วนะ่ะนะคนนั้นจะอยู่กับคนชั่วไม่ได้แล้วถ้าคนอยู่กับคนดีแล้วก็คนชั่วล่ะนั่นนะ 50-50 ยังยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้คบคนชั่วก็ได้คบคนดีก็มีอยู่ได้เพราะยังเคียตัวเองไม่ได้ยังไม่ได้ฝักไฟ ในตัวในตัวเองนี่ถ้าความดีเนี่ยมันเคลียร์ตัวเองได้ทุนไม่ได้อยู่กับคนชั่วนี่ทนไม่ไหวหรอกเจออะไรตร้องต้องหนีทันทีเลยคนชั่วก็เหมือนกันน่ะถ้าชั่วของเขานี่เยอะกว่านี่พอเจอความดีเนี่ยฮสังเกต น, นะเฮ้ยมละมา ก, กันเออแกเองแปงแปงแปงเขาจะไม่ทนอยู่กับความดีนี่ทนไม่ได้ عبد ุลลฮ์อิบ bn, อุบัยอิบณสลูลลูกชายเขานีที่เคยเล่านะถ้เชื่อ u l a h ไมนอิบณุลลฮ์อิบณอุบัยอิบลูลเคียเคียตัวเองชัดเจนเลยได้ยินพ่อเข้าตอว่านาบีละสอฮาบะเพราะว่าถ้าเราเข้ามาดีน้านี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกียรตินี่จะขับไล่ผู้ต่าต้อยมันก็ไปยืนทางเข้ามาดีน้าแล้วก็ ห้ามพ่อไม่เข้ามาดีนะจนกว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกียรติคือท่านนาบีอนุญาตคือเพื่อยืนยันนะว่านาบีเนี่ยผู้มีเกียรติไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเขาถึงขนาะที่พ่อเ้าเนี่ยก็ต้องขอความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยลูกฉันเนี่ยห้ามไม่เข้าบ้านอืมเนในสังคมมัดีนานี่ ถ้าไม่เคลียร์ตัวเองนี่มันอยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดล่ะมันก็คือสองขั้วเท่านั้นนะขั้วอีมานที่ชัดแล้วก็ขั้วที่ไม่มีอีมานเลยและเหตุการณ์ต่างๆของพวกโมนาฟิกนี่มันก็มันก็ชี้ให้เห็นว่าเขาทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้อีอมานเนี่ยได้บริหารจัดการ แผ่นดินทั้งหมดเลยทำอะไรก็ได้ให้ความชั่วของเขานี่ยังคงมีชีวิตอยู่ยังสามารถเผยแพร่ได้เขาก็หวังหวังวัดเขาจะฟื้นคืนอำนาจความสามารถของตัวเองอับดุลลาบีอุเบยิบเนสลูลเช่นเดียวกันอับดุลลาบีอุเบยิบเนสลูลเนี่ยกเป็นหัวโจกมุนาบิกอนที่ท่านนาบีจะมามาดีหน้าเนี่ยไว้มาดีหน้าเนี่ย ถูกแต่งตั้งแล้วจะเป็นกษัตริย <activities> ์ดูเราดีมซ <lived> ุยผ <oli> <le> <hold diferença> <saved> ู้ชาวอัสไมาอัสละก็เขาะแต่งตั้งแล้วเป็นกษัตริย์พอแผนของผู้ศรัทธานี่ให้ท่านนบีมาอยู่ที่มาดีน่าแล้วก็มาเป็นผู้นํำนี่จบเลยความเป็นกษัตริย์นี่หมดเลยเสียผลประโยชน์เขาก็เลยฝักไฝ่ที่จะไม่เข้าข้างท่านนบีซุนุลกลอเนี่ยมา แล้วอัลล سبحانه แะ تعالى ก็จะให้อุทาหรขอนสำหรับผู้ศรัทธาทุกยุคทุกสมัยว่าความศรัทธาและความชั่วไม่ได้อยู่ในดีเอจริงไหมไม่ได้อยู่ในดีเออเพราะถ้หากว่าความชั่อนี่มันอยู่ในเนอนี่อวัยวะอนแอรยากไม่มีลูกชายที่เรียกว่าฮัซละ عبد ุลลาฮ์อิน้วยอิบเนสุกะจัไม่มีก็จะมีลูกช ا ه ที่ชัย عبد ุลลาฮ์อิน้วยอิบเ น, นสุลกะจัมความชั่วความศรัทธานี่ไม่ได้อยู่ในดีเองมันอยู่ที่สมองและจิตใจของมนุษย์ทุกคนที่สามารถตัดสินใจเลือกและก็ ฝ, กฝักใฝ่ความดีหรือความชั่วนี่ชัดเจน ถ้าเจนเห็นใครทำความชั่วแล้วก็โอ้หนี่มันมีเชือ้พอพ่ามันเป็นแบบนี้พ่อเแบบนี้ไม่จริงเลยไม่จริงคือปัดความรับผิดชอบนี่ไปเกือบห้ิบเปอซ๋อเขาาไม่ได้ผิดเองนี่เขาไม่ได้ผิดเองเขาได้มาจากพอ่อเขามาจากปู่ย่าตายายเขาอย่างนั้นไม่ไม่ใช่เขารับผิดชอบร้อย ต่อหน้าลอดในวงเกียร์มาอย่างรับผิดชอบรับผิดชอบคนเดียวคือจะไปอ้างต่อหน้าตัวฮันวัวอ๋อพ่อฉันเคยเป็นแบบนี้ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครจะมารับมารับรองซึ่งพฤติกรรมของมุนาฟิกกลุ่มนี้นะเออมันมันเป็นแผนเป็นอุบายที่พัฒนาตัวเองมันเป็นการวางแผนหลายหลายคน แล้วก็เป็นแผนระยะยาวแล้วก็เป็นงานใหญ่หมายถึงว่า ง, งานของเขาที่เขาต้องการเนี่ยก็คือขอความช่วยเหลือจากอบูอฮัยมันร้อยเนี่ยก็เอากองทัพของโรมันแล้วก็บุกมา ด, ดีน่าเนี่มันคือมากบฏลม้มการปกครองของท่านด บ, บี้สลุลลัลของอาลีอัลสุลแล้วซึ่งเป็นแผนที่ร้ายแรงรุนแรงมาก เราเข้าใจเรื่องของกลุ่มที่สร้างมัสยิดอัดร้อนนี่คร่าวๆนะครับแลมาดูมาอ่านอิบราฮสุภาพนาวดาละเล่าพวกเขาเรื่องราวของพวกเขาและมีรายละเอียดยังไงบ้างาดอาอุบิลลัฮิมชิฮฺัลอราชิม و ا ل َّ ذ ِ ي ن ا ت خ <ص> ذ و ا م س ْ د ا ض َ ر ا ر ا و َ ك ُ ف ر ً ا و َ ت ف ر ي ق ا ب ي ن ا ل م ؤ م ِ ن ي ن َ و َ إ อ ص َ ا د َ ل ِ م ً ا ح ب ا ل ل ه ว่าอิร صاد นหรือว่าอิร์ ا د ก็ได้อ่านเป็นตรริกอิร์อก็ได้พอตัวรอที่มีสกูเนี่ยถ้ามีก่อนเนี่ยมีกระสระแบบเนี้ยอิอีอินอก็จะอ่านเป็นมุรักก็อออินแต่บางทศนะบอกว่าแต่ถ้าจะหลังตัวรอเนี่ยมีมีอักษรมุฮัลละซ์มุขฟมุซักกลเนตัว ص เนี่ยมันก็จะกลายเป็น อ ر ص ا د ا م ัลไม่ใ ا ่อิร์ซาทั้งสองนี้ก็อันใดว و า ر ص ا ص د ซาดั حاربالله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن ردنا إلا ا ل ح, س, ح ن أ إ س ن ى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين بندا ب, وال ب و ث ه اتخذوا يد أو مسجد اتخذوا مسجدا يد أو مسجد หลังหนึ่งเดร้อนเพื่อก่อให้เกิดความดรน ดือร อ, อนก็ให้เกิดความเดือดร้อนมีนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งพยายามทำงานวิจัยค้นหาดูว่าตำแหน่งมสัสยิดดิรอรอนน่ะอยู่ตรงไหนในปัจจุบันเนะี่ยที่จะเเราจะได้นึกภาพเนี่ยเรารู้จักมสัสยิดอุบะนะมสัสยิดอุบนะน่ะรู้จักเขาได้ศึกษา หลายรายงานในประวัติศาสตร์พบ ว, ว่ามสัสยิดเดรร์นี่นะที่พวกมุนาฟิกไปสร้างนี่นะห่างจากมสัสยิดกูบ้าเนี่ยประมาณหเมตรติงตองมนะและยังมีหน้าไปบอกกับท่านนะบีด้วยนะว่าสร้างเพื่อให้คนแก่คนอ่อนแอเขาจะไดไ้ไม่ต้องเดินไกลแม่นี่มสัสยิดกูบ้านี่จะไกลกว่ามัสยิดไกลกว่าหเมตรแต่ไม่ต้องขำหรอกปัจจุบันนี้ก็มีแล้ว เยอะด้วยไม่พอใจกัน อ, อะไรก็ไม่รู้ก็ยกไปสั่งมาสิ่งไม่พอใจอุซอน ล, ลีไม่พอใจอะไรเล็กๆน้อยๆไม่พอใจละหมาดแปดไปสั่งมันมีมีทั้งสองอย่างนะไม่พอใจละหมาดแปดก็แยกมัสิ่งไปละหมาดยี่สิบไม่พอใจละหมาดยี่สิบก็แยกทับมัสียลนะไปสั่งกันได้ละหมาดแปดแค่นี้นี่ก็มี ถือมันเป็นเรื่องแบบว่าขำแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยมีที่แบบว่าเออแยกแยกเพราะมันศีลนะเขาทําบิดาพอแยกแล้วพอแยกแล้วเนี่ ย, ยแยกอีกไปตั้งอิกมัสสิตหนึ่งห่างกันซอยเดียวทําไมอ่ะไม่มไม่ได้เขาเขาอยากจะอาจารยสองอาจารเนี่ยเหตุผลอะไรแบบเนี้ย มันไม่ได้เป็นเหตุผลเหมือนพวกมุนาฟิกที่เขาจะสร้างความเสียหายแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ไม่มีความชอบในหลักการศาสนาแล้วเราจะอธิบายว่าอุลมามะได้พูดถึงเรื่องการแยกมัสยิดเนี่ยให้มีหลายมัสยิดในพื้นที่เดียวนี่มันได้หรือไม่ได้แต่ดิรร้อนนี่มันเขสร้างความเสียหายนี่เพราะอะไรที่อัลลอฮ์ได้กดดิรร้อนเพราะอะไรสร้างความเสียหายเพราะ อุลลามะได้บอกว่าเพราะการที่มีมัสยิดในพื้นที่สองมัสยิดนี่นะมันสร้างความเสียหายกับภาพลักษณ์ของความเป็นจะมมาอันี้ความเสียหายที่ยิ่งใหญใช่ดิอุลมามะได้บอกว่ามัสยิดกูบะละมาดกันสองซอฟถ้ามาสร้างมัสยิดนี้ก็เหลือที่นูก็จะเหลือซอกนึงอันนี้ก็ซอกนึ่ง่งนี้เป็นต้นความเสียหายของความเป็นจัมม่า มีแค่แยกเป็นมสัสยิดสองมสัสยิดนะและแต่พื้นที่เดียวเนี่ยมีหลายมสัสยิดมีหลายมสัสยิดเป็นสิบมสัสยิดดิ่งเนี่ยทำยังไงปัญหาที่โลกมุสลิมกําลังเผชิญหน้านี้ก็คือความแตกแยกพอไปดูแล้วเนี่ยเรื่องความแตกแยกเนี่ยมันไม่ได้เกิดระดับประเทศคือเราไม่ได้แตกแยกกันเป็นเสี่ยวเป็นหลายประเทศเนี่ยเพียงแค่นี้อย่างเดียวไม่ มันแตกแยกตั้งแต่ตั้งแต่ภาคชุมชนชุมชนเดียวนี่มีหลายมาศิบผมเคยเจอนะที่ประเทศอีบนะซอยหนึ่งนะ่ะมีสามมาศิษซอยเดียวท้ายซอยขอโทษนะซอยที่นูนน่ะมันไ ม, ไม่เหมือนบ้านเรานี่ซอยกิโลหนึ่งนะไม่ใช่ซอยหนึ่งก็ประมาณประมาณร้อยมตรร้อยเมตรนะ่ะปากซอยนี่มาศิด กลางซอยนึงก็มีมาสินท้ายซอยนึงก็มีอีกมาสินพอเข้าไปละหมาดิมัสินอันนี้ก็ห้าคนอันนี้ก็หกคนอันนี้ก็หกคนดีละหมาจุมากับประมาณนี้แหละเรื่องแย่ๆแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนเนี่ยไอ้ไอ้ภาพความแตกแยกของชุมชนเนี่ยมันก็สะท้อนถึงภาพความแตกแยกระดับประเทศระดับโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละ ว่าคุฝรนและปฏิเสธศัทธาอุลมามะนบอกว่าสร้างมัสยิดเป็นกุฝรเป็นกุฝรเป็นปฏิเสธัทธาเขากว่าใช่ปฏิเสธศัทธาความประเสริฐของมัสยิดกุบาและความประเสริฐของมัสยิดของท่านนบีสุลต์ละวะหลิอุสัลลัมรวมถึงคาสั่งที่ท่านนบีสุลต์ละวะหลิสัลลัมสั่ง ให้รวมตัวเป็นกลุ่มเป็นจมา ع ์นี่เป็นการปฏิเสธกุฟรันกูเลมาไดบอกว่าที่จริงเนี่ยมันลึกกว่านี้เพราะถ้าเราสมมติฐานว่าอุ้มหรือพักพวกของอบอาหมรเนี่ยอบอาหมรอัลฟาสิคเนี่ยเขามีควมไม่จตนาจริงที่จะทำลายล้างอิสลามด้วยการรอกำลัง กำลังจะโครมันเนี่ยมาโจมตีมาดีนนี่อันนี้กูฟแน่นอนกฟแน่นอนการที่ร่วมมือกับกาเฟ่จะได้โจมตูมุสลิมโจมตีมุสลิมทำร้ายมุสลิมอันนี้อันนี้เป็นกูฟรตแน่นอนไม่ใช่มุสลิมแน่นอนฉะนั้นทหารประเภทไหนในปัจจุบันที่ มีให้ความร่วมมือกับทหารยูขอกาล ร, ร้ายในการโจมตีเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมที่กาซาเนีน่ยนะหุกลเดียวก็พอดีแค่ตั้งมสัสยิดนะตกศาสนาแล้วนะและไคนที่ส่งตัวแทนทหารไปประชุมกับทหารยูละ่ะแล้วเราจะขัดจัดจะส ก, กัดธามาเสยียงไงแล้วเราจ ะ, จะ จ, ะ, จ, ะจะจัดการเขายังไงแบบนี้ยังไงไม่ต่างอะไรกันเลย แต่ที่จริงเนี่ยบทบาทของมสัสยิดนี้เนี่ะก็ไม่ต่างอะไรกับบทบาทของพวกกองทัพที่ไปจับมือกับยูนี่แหล ะ, ะไม่ต่างอะไรเลยว่ตะฟรีกนแล้วก็ให้เกิดการแตกแยก<ม>แน่นอนเกิดการแตกแยกในสังคมในตําบลกุบาที่จะต้องแยกละหมาดที่จะต้องสร้างความสงสัยว่าสร้างมสัสยิดกันทําไมเอาก็มีมสัสยิดแล้วแล้วทำไมต้องทําแบบนี้ มีอยู่คนหนึ่งในสิบสองคนที่สร้างมัสยิดเนี่ยชื่อหมูจัมมะอิบนูยารยียตอนนั้นคนนี้เป็นเด็กเด็กเด็กยังอายุไม่มากพ่อเขาเนี่ยเป็นหัวโจวกมุนาฟิกเหมือนกันเนื่องจากว่าพวกมุนาฟิกที่มารวมตัวสร้างมัสยิดนี้เนี่ยก็ไม่ไม่ด้ไม่ได้ไไดท่องกุรตา เขไม่สนใจกูอ่านเลยก็ไม่ได้ต้องเอาเราจะให้ใครมาเป็นอิหม่ามละ่ะไอเจอริยานี่ก็มีลูกชายเขาในชื่อมูจัมมามูจัมมาก็แต่งตั้งให้มูจัมมาเนี่เป็นอิห ม, ม่ามซึ่งเด็กตอนนั้นน่ะคนนั้นนะนะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็เหมือนเหตุการณ์ก่อนนั่นนี้ที่เราเล่าในสุรตะวานี่ที่ไอพวกมุนาฟิกที่เขา ตั้งสภากาแฟนินทาท่านนาบีแล้วก็มีลูกเลี้ยงเขาคนหนึ่งไปฟ้องท่านนาบีอันนี้เขาไม่เอาด้วยกับเขาก็าเป็นไปได้เด็กไม่รู้อินูอินเน่แต่หลังจากนั้นนะในยุค ข, ขีลาวาของอัลมาดุลลัคต้าบเนี่ยเขาไปสร้างมัสยิดกันแห่งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าท่านครับเอามูจมัมาบมิจารียานี่มาเป็นอิหมามสิมัสยิดเนี้ย โอ้เป็นเป็นอัลมาดุลขะตอบเป็นไปไม่ได้มูจาบมาไนจารีอาหน่าสิเป็นเป็นเป็นอิหม่ามของมัสยิดเดรอาร์รัวโขจกมุนาฟิกน่าเป็นไปไม่ได้เขาก็บอกว่าให้เรียกเข้ามาสอบสวนก็เด็กมูจาบมาไนจารีอาอัมาดุลขะตาบเด็กมูจาบมาสอบมาสอบถามว่าอะไรเกิดขึ้นในยุคนั้นเขาบอกว่าท่านครับช่วงทัานยังเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เรื่อง แต่เขาไม่มีใครท่องจำคุรอานพอสมควรนอกจากผมเขาก็เลยให้เป็นอิหมามแล้วผมไม่รู้ผมไม่ไม่รู้ว่าเขาเขาเจตนาหรผมไม่รู้เพราะมันเป็นข้ตอมนี้ก็รับแล้วก็ให้อภยัยแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นอิหมามหลังจากที่ได้อธิบายแล้วชื่อมูจา ม, มาเนี่ยมูจามามัานก็อยู่ในสิบสองอยู่ในสิบสองคน่นเองที่บอกว่า แม้ว่าจะมีการระบุรายชื่อในกลุ่มมุนาฟิกหลายกลุ่มในในชุในช่วงนั้นนะ่ะนะว่าอนี้กลุ่มนี้พวกสภากาแฟนินทานาบีเนี่ยกลุ่มนี้พวกมาสิดโอรนเนี่ยแต่ไม่ได้หมายรวมว่าฟันธงแล้วว่าเขาจะเป็นมุนาฟิกตลอดชีพเราจะต้องเสียชีวิตเป็นมุนาฟิกไม่มีตัวบทหลักฐานในคุตัานเรนาฮาดิเซยไม่ได้มีการยืนยันเรื่องนี้เลยก็เป็นไปได้ ว่าหมูเชฟมาร์นี่ใช่เนี่ยตั้งแต่แรกเลยนี่ยไม่ได้เป็นมุนาฟิกแต่เพราะเนื่องจากว่าอยู่อยู่ในอยู่ในกลุ่มแล้วก็ไม่ได้แยกตัวออกชัดเจนก็ก็เลยถูกเข้าใจว่าเออเขาเป็นกลุ่มนูน้นหรือว่าหมูเชฟมารเป็นไปได้ว่าเขาเป็นตอนนั้นนะะเป็นมุนาฟิกจริงแต่เข้าเตาบัดตัวแล้วก็เป็นไปได้ซึ่งก็มีหลายหลายกรณีที่มีมุนาฟิกที่เตาบัดตัว หลังจากนั้นเช่นเดียวกันแต่ฟรีคนไปใ น, นมุกมินีนะก่อให้เกิดการแตกแยกระหว่างบรรดามุกมินด้วยกันระหว่างบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันว่าอิรซาดันและเป็นแหล่งซ่องสมแหล่งซ่องสมนี้อันนี้ไม่ใช่มัสยิดแล้วสิก็หมายถึงว่าเป็นสถานที่รวมตัวคนคนที่จะจะโจมตี และนี่คือแผนถ้าตามราย ง, งานประวัติแผนของอบูอามร์เนี่ยที่จะให้มัสยิดดิรอดเนี่ยดูดิมัสยิดนี้ต้องต้องมีชื่อแน่นอนเหมือนกูบาเนี่ยก็เรียกมั ส, สกุบาแต่งไม่ทนันจะตั้งชื่อดีๆแลยนะได้ชื่อได้ชื่อมัสยิดดิรอดไปซะแล้วคนดีคนนี้ไม่หวังดีกับอิสลามเลยนะเสียหายเลยนะคือเสียประวัติไปเลยอเหมือนเหมือ น, นมุสลิมะ มูไซลมะนีมีชื่อมีชื่อมีชื่อปะชื่อมะชื่อปู่ยาตายายนี่ชื่อตระกูลชื่อเผ่านี่อย่างดีเลยนะมูไซลมะแต่ไม่มีใครรู้จักมุูไซลามะชื่อพระเขาชื่ออะไรตระกูลเขาอะไรชื่อเรื่องเดียวมูไซลามะอัลกัซเซบก็คือคนที่หลังจากนบีเสียชีวิตนี่อ้างตัวเองเป็นนบีถูกตั้งฉายาว่าอัลกัซเซบก็คือกหกไซลมะกหกคนที่ ไม่พูดจริงเอร์ซดนั้นมัสยิดถูกก่อสร้างขึ้นมาเพื่อจุมดีอิสลามลิมันหา ر ับ الله ورسوله ซึ่งซุมสำหรับผู้ที่ทำสงครามต่อต่อต้านอัลลอฮ์และ ر س ูลของพระองค์มาก่อนมิน ق บลุต่อต้านอัลลอฮ์แลของพระองค์มาก่อนก็คืออบุอามิลอัลไร ที่เขามีแผนก่อนหน้นานี้ล่วงหน้านี้ว่ลายฮัลลีฟุนนมาอีกและนี่สันดาณพฤติกรรมของมุนาฟิกและแน่นอนพวกเขาจะสาบานว่าลายฮัลลีฟุนนจะสาบานว่าอินอัรดะนาอิลลัลฮุสนาเราไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากสิ่งที่ดีเจตนาสร้างมัสยิดสำหรับคนแก่คนอ่อนแอก็จะได้ไม่ไม่เดินไกล จลละอลกบูตั้งเป็นพยานยืนยันว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นพวกกล่าวเท็จอย่างแน่นอนอินนะฮุมเล่ากสิบูลมื่สียดีน์บีเคยสัญญาว่าจะไปละหมาดให้เขาแต่ก่อนที่จะเข้ามาดีนะหลังจากสงครามตะบูกเนี่ยอายะนี้ถูกประทานลงมา ละตะกุมฟี่อบาดะเจ้าอย่าไปร่วมยืนละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นอันขาดอบดะเป็นอันขาดละตะกุ่มสำนวนอายานีละตะกุมอย่ายืนคาว่าละหมาดนี้ไม่มีนะสำนวนภาษาอร а บนี่ละตะกุมย่ายืนทาไมอ่ะเพราะคาว่ายืนในกุรานเนี่ยและในสุนนะของท่านนบิบบิศละลาวะอะลัยฮุัลมถ้าพูดึงเรื่องกาบาน่ยืนนี่ก็หมายถึงว่าละหมาด ما <مي <ميرنقل> يرين أذن عيانة صورة الحجتي الله وجوه ط ه ر ا ل ب ي د ا ل الطائفين وال والقائمين والركع السجود قائمين عيد النبي إبراهيم د ي ش م رعتهم قام سعد مسجد حرام سام ربك ودي طواف الطائفين والقائمين إني أقائمين كذا ودي لمن نزيب خ ا ر ي ل م س ل م دنا يقوه من قام رمضان إيمانا وحسنين. ผู้ที่ยืนยืนระมดรอนอะไรอย่ายืนระมอนยืนนี่หมายถึงว่ายืนละหมาดนั่นแหละยืนละหมาดข ค, คืนและตะกุมฟีอบาดเจ้าอย่าไปร่วมยืนละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นอันขาดแล้วการที่ท่านอะบีไปละหมาดนี่พวกมุนาฟิกเนี่ยเขาต้องการให้มีความชอบเอานมัสยิดนบีมาละหมาดแล้ว ผู้สตารคอื่นนก็ไม่ไม่วิจาร์อะไรไม่ได้แล้วระบาแล้วจบความสำคัญของคนสั ญ, ญลักษณ์ในสังคมเนี่ยผู้นำสังคมหรือคนที่มีความรู้และคนเขาเคารพนับถือเนี่ยต้องระวังตัวมากในการที่จะเข้าแผนของคนที่ไม่หวังดีเพราะการที่เขาจะรับรอง ให้ความร่วมมือกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนี่แสดงว่ากลุ่มนั้นน่ะโอเคแล้วถูกต้องแล้วใช่แล้วต้องระวังต้องระวังตัวเพราะถ้าเขาไม่รู้ตัวแล้วก็ไปรับรองหรือไปทำอะไรไปพูดอะไรที่เหมือนเป็นการรับรองเขาความเสียหายก็จะเกิดขึ้นฉะนั้น อลลมาได้บอกว่าอัลลอฮฺได้คุ้มครองท่านนาบีตั้งแต่ก่อนจะออกไปสงครามตะบูกเนี่ยเขาจะมาหลอกท่านนาบีแล้วเนี่ยละหมาดหน่อยนบีบอกว่าตอนนี้กําลังจะไปสู้รบอยู่เดี๋ยวคากับค่อยมาพอกลับมาแล้วเนี่ยไม่ได้ละเราต้องบอกแล้วต้องชแชร์ละไม่ท่านนาบีถูกชายเป็นเครื่องมือและสั่งไอ้นี้มันก็คล้าย อ้ายที่ท่านนบีสั่งละละสั่งละมาจนาซัยใครจำได้ไหมอับดุลลาฮ์อับดุลเบียบเนซูลท่านนบีละหมาพรท่านนบียังไม่มีคาสั่งชัดเจนเพราะท่านีก็ละมาดแต่หลังจากที่นบีละหมาดแล้วนี่อัลลอฮ์ก็เลยสั่งว่ละทุ่งศรีอัลอาฮ์ดมินุมมาต์อับดดมันอันน้นยดลานาซใครพวกนี้เป็นอันา ن ي ل ا لا تقوم فيه أ ب د ا يا ذي ي ل َ م َ ا د ن ِ م س ج د ُ ن ب ن َ ك َ ا ت ت م ا ه ِ ي ه ي َ ل م س ج د أ س س ع ل ل ا ل ت ق و ى م ن أ و ل ي و م أ ح ق أ ن ت ق و م ف ي ه ن ن َ ن َّ ت َ ل ا م ن َ ك ل ل ا م ا ل ت أ ك ي د ت َ م ي َ ش َ د َ ا ن َ ه ُ م ِ م ي َ ش د ا ن ل แน่นอนแล้วมัสยิดอุสซิสั اس اس اس اس ่งละตัแน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานอุสซิสเนี่ยวางรากฐานเขาอุสสิสหมายความว่า أساس ปว่ารากฐานอสสาสรุปครากฐานแล้วมัสยิดอุสซิสั่งลตัควมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความเมียมเกรง อาลัยตกวามิในอวุลยาวมิในตั้งแต่วันแรกนั้นตั้งแต่วันแรกที่ถูกสร้างอาฮักอันตะกูมะฟีสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปยืนละหมาดในนั้นฟีฮ์ริจาลุยูฮิบูนไอย์ตะตะฮารูเพราะในมัสยิดนั้นในมัสยิดที่ถูกสร้างบนรากฐานแห่งความตกวันเนี่ยมีคณะบุคคลที่ชอบ จะชําระตัวให้บริสุทธิ์อลล والله يحب ا ل م ط ه ي ر รีแล้วอัลลอฮนั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ชําระตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอมัสดที่ถูกสร้างที่ถูกวางรากฐานบนความเยื่อเกรงตั้งแต่วันแรกนั้นนะเข้าใจว่ามัสิดกูว่าเพราะ มัสยิดกุบาถูกสร้างก่อนมัสยิดนบีแล้วยังพูดถึงบุรุษหรือคณะบุคคลที่ชอบชำระตัวให้บริสุทธิ์เพราะท่านนาบีหลังจากอายะนี้ถูกประทานลงมาไปถามชาวกูบาบนยาอัมริอบนยาอฟพวกท่านทำอะไระถึงอัลลอฮ์เ ส, น, สนยกย่อง การชำระตัวให้บริสุทธิ์เขาบอกว่าก็อาบน้ําจนาป้อาบน้ําละมานี่แหละนบีบอกคืออาบน้ําจนะป้อาบน้ำละมานี่ก็มุสลิมทุกคนเขาก็ทํากันไม่ใช่ต้องมีอย่างอื่นมีไหมเขาบอกว่าถ้ามีอย่างอื่นแล้วก็ถ้าเราได้ถ่ายทุกแล้วเนี่ยคือแต่ก่อนนั้นส่วนมากเขาจะชำระอาณาเจ้าด้วยชำระอาณาเจ้ด้วยก้อนหิน ดยใบไม้อะไรพวกเนี้ยถ้าเราได้ชำระนาจารซแล้วขวแรกอิสติจมาอิสติจมารเนี่ยเอาก้อนหินนี่ยมาชำระใช่ไหมเราจะต้องหลังเสร็จหลังจากที่ชำระด้วยก้อนหินอะไรพวกเนี้นะเราจะต้องชำระด้วยน้ําตามไปด้วยน้ําหมายถึงว่าจะถือว่าภารกิจพิเศษของเขาที่จะนะ่ะที่จะต้องทํามากกว่านี้ก็คือไม่พอนะชำระนาจารซด้วย วัตถุแข็งๆอย่างเงี้ยไม่พอต้องให้น้าให้เกลี้ยงเลยบางแรงงานบอกว่าบรอเมริกันเอาได้เรียนแบบเรียนรู้เรื่องนี้มาจากชาวยิวที่เขาเคยสนิทกันในยุคใหญ่ๆซึ่งยิวเขาก็มีเรื่องการชำระนจาจาซาอย่างเคร่งครัดเนี่ยอันนี้ก็มีจริงแสดงว่าอิสลามเนี่ยได้ยืนยันในเรื่องที่มันถูกต้องของอยิว ก็เช่นชัมราณาจซรย์สาวยน้ําแต่มีบางเรื่องของยิวในเรื่องชัมราณาจารย์ที่ไม่ถูกต้องเช่นนี่ถ้าณาจารย์สาโดนตัวนี่นี่ชัมราณญจารย์สาแบบนี้แสดงว่ายเนี่เขาก็มีแบบนี้ชัมระณาด้วยน้ําแต่ถ้าณาจารย์าเนี่ไปโดนเสื้อผ้าละก็ยุ่งเลยต้องตัดไม่ไม่ไม่ซักนะไม่ให้ซักนะถ้าณาจารย์สาโดนนี่นะไปล้างณาจารย์สานี่ไม่ได้นะ ต้องเอาส่วนที่มันดดนอัจฉริยะนี่ตัดไปเลยก็คอยตัดจนไม่เหลือใช่ไหแล้วก็คอยซื้อตัวใหม่แล้วนี่ใน ayat yang a l l a ض wajah w a j ه h wajanum i التي كانت عليهم ชาวคำพีที่อัลลอฮ ا ن ه แวะ ت ع ا ل ชิญชวนให้เข้าในมารับอิสลามนี้จะได้ลดความยากลาบากที่เคยมีในบทบัญญัต ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เขินแต่การอิสรภาพแลอัลลอฮ์นบทบัญญัติที่ a า l a h ลงโทษเขายูเนี่ยส่วนมากบทบัญญัตินี้ที่ Allah บัญญัติให้เขาเนี่ยเพื่อลงโทษเขาทําไมเพราะเขางี่เง่าทุกเรื่องก็ชอบถามนลี่แล้วเป็นยังไงแล้วมันพอไหมมันยังอืม Allah ก็เลยบัญญัติให้ให้เขาลําบากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มีส่วนหนึ่งที่มันถูกต้องเหมือนหลายส่วนดียูเนี่ยเขาก็มีความถูกต้อง ในไบเบิลในตำรานี่ก็มีบทวิเนียที่ไม่ได้ถูกบิดเบือนและทุกวันนี้เ น, น, นี่ยบทวิเนียในไบเบิลในตำราเนี่ก็ยังสามารถเอามาหักล้างบทวิเนียที่บิดเบือนได้นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีนักเผยแพร่ศาสนาและคนที่จะชํานาเรื่องนี้นะ่ะคือคนที่เคยเป็นบาทหลวงเออเดี๋ยวนี้ผมผมไปดูคือพวกบาดหลวงนี่เขาเวลาเขาเผยแพร่นะเขาจะคือเขาจะละเอียด ไม่เหมือนคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็มาศึกษาแม้กระทั่งเก็นกในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้มีบางเรื่องนี้ละเอียดละเอียิบเนี่ยอมุสลิมนี่อาจจะไม่ไม่เจอเขาจะรู้อะไรที่อาลุกีตาบเนี่ยเขาเขาเชื่อมากแล้วเขาจเอาจุดนั้นอนะไปหักลา้างสิ่งที่เขาไม่ยอมรับถ้าว่านาบีได้ถามชาวกูบานี่ว่าเขาได้ทําอะไรก็แสดงว่ามสัสยิดที่ถูก วางรากฐานบนความตะกวาตั้งแต่แรกมันก็คือมัสิกุบาสีพอพูดถึงกลุ่มชนของกูบาด้วยแต่มีประเด็นที่ทำให้อุลามาได้มีความเห็นที่แตกต่างกันสิบเนองจะกว่ามี hadis บทหนึ่งมันทึกดุอิมามอัดุมดมัมนาสัีห a ด i s ซื่อะสาบสองคนก็เถียงกันเรื่องนี้แหละ ตกลงมัสยิดไหนที่ถูกวางรากฐานบนตกวาตั้งแต่วันแรกมัสยิดกูบะหรือมัสยิดนบีเทียงกันจนไม่้ไปถามท่านนบีเลยนบีนบีครับมัสยิดไหนอายุมัสยิดนงอสาลตกวานอวลมโอท่นบีมัสยิดไหนที่ถูกวางรากฐานบนตะกวาตั้งแต่วันแรกมัสยิดไหนอะนบีบอกว่ามัสยิดีฮะ มัสยิดนี้มัสยิดของฉันนี่อิมามตับรีตับรีอิมามอัลกุรอบีรวมถึงอิหม่ามเบนยูกะซีดเหมือนกันเขบอกว่าเนเรื่องนะเนเรื่องอ่ะในอายะเนี่ยพูดถึงมัสยิดอุบะเนื้อเรื่องพูดถึงมัสยิดอุบะแต่ฮาริษะ ถ้าจะพูดถึงประเด็นว่ามัสยิดที่ถูกสร้างบนรากฐานแห่งตะวานนี้ตั้งแต่วันแรกนะเนื่องจกว่ามีตัวบทฮะดิษส์เจนนั่นก็ต้องฟันถงว่าเป็นมัสยิดของท่านนบีสุลต่านแต่อิหม่ามเนิ่ยก็เีรพยายามที่จะตีความให้เข้ากันได้เขาบอกว่ามันก็ไม่ขัด ก, กันคือเนื้อเรื่องที่มันชี้ว่ามัสยิดกุบะเป็นแห่งแรก แต่ฮะดีฟันธงว่าเป็นแห่งแรกอิหม่ามีกษีรพยายามที่จะประสานกันให้ดูไม่ขัดกันท่านก็บอกว่าถูกสร้างตั้งแต่วันแรกมันก็ไม่ขัดกันก็หมายถึงว่ามสัสยิดนบีก็ถูกสร้างตั้งแต่วันแรกเหมือนกันคือคำว่าวันแรกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าวันแรกของประวัติศาสตร์นึกออกมา ไม่ไดม้มายถึงวันแรกของประวัติศาสตร์ไม่วันแรกของการสร้างมสัสยิดนั่นหมายถึงว่าบรทุกมสัสยิดเนี่ยที่ถูกสร้างที่ถูกสร้างตั้งแต่วันแรกด้วยความตะกวานะก็จะได้ขุข่มเนี่ยสมควรที่จะยืนละมาทในนั้นจึงเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนคิดจะสร้างมสัสยิดเนี่ยตั้งแต่วันแรกสร้างมสัสยิดทาไมโอ้โมสัสยิดนุช โดมมันใหญ่กว่าเสานี่มันโอ้โน่นนั่นหมดตเวนี้เห็นกันทั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ต้องสร้างใหม่สร้างใหม่มสร้างทําไมเงินมันเหลือเยอะแยะไปหมดมัสยิดนี่มีเงินวากับนี่เป็นร้อยล้านสร้างใหม่สร้างใหม่คือต้องเข้าใจว่าการสร้างมัสยิดสมัยสมัยท่านนาบีเนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียว เพื่อสักการะอิบานาตอโลเพราะฉะนั้นวัตถุประสองค์อื่นเนี่ยมันจะไม่เป็นเงื่อนไขในการสร้างมัสยิดมัสยิดไม่จาเป็นต้องมีแอร์ไม่จำเป็นต้องมีพรมไม่จาเป็นต้องปูกระเบื้องไม่จำเป็นต้องมีอะไรพวกนี้ไม่มีพวกนี้ก็สามารถละมาดได้ซึ่ง ถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้หมายถึงว่าการที่จะมีแอร์มีพรมอะไรไม่ได้เป็นเงื่อนไขเราก็สามารถละหมาด ท, ที่ไหนก็ได้อันนั้นสแสดงว่าการสร้างมื่อสิ ข, ของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเป็นอุตราริกรรมแต่อไปได้ละหมาดนี้เมื่อสิยังละหมาดไม่ได้ ท, ท, ไไดทำไมยังไม่ได้หมูกระเบื้องนี่เป็นเงื่อนไขแล้วเฮ้ยยังเบง้งเบื้องละหมาดทำไมยังไม่ติดพัดลมเลยยังไม่มีไฟยังไม่มีแอร์ บานเรเนี Molly, ่ยถ้าไม่ม no ีแอร์อาจจะไม่มีป so ัญหาแต่ประเทศอาหรับนี่เดี๋ยวนี้จไม่ได้เลยนะมสศิดย์ที่ไม่ติดแอร์เขาไม่ละหมาดกันมันไม่ได้อย่างไม่ติดเอามสศิษย์ต้องชำละมาศิดถ้าเป็นเงื่อนไขแล้วเนี่ยเอาก็แสดงว่าเราเราไม่ได้สร้างมาศิดย์เพื่ออิบานาสักการะต่อพระสุภาณวตาอะไรอย่างเดียวแล้วถ้าเรามีมีเงื่อนไขในการที่จะไปแล้วโอมาศิษย์ถ้ามสศิดย์ไม่มีแอร์ฉันไม่ไป มัสยิไม่มีพรมไม่มีนะ่ยฉันไม่ไปรหรอกวันน้ไอ้บาดาหมันจะไม่มันจะไม่มีคูชั่วอันนั้นนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แน่นอนเรื่องมัสยิดที่เวลาหมาเนี่เรื่องอะไรฮะเรื่องเรื่องอิหม่ามเสียงแพราะก็ไม่ใช่เหมือนกันใช่เรื่องแรกนะเรื่องแรกนะฟังให้ดีนะอันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดมัสยิด ที่เราอยากแตนละหมาดแล้วก็รู้สึกมีคุชัวเนี่ยเอาะหาดูวัมัสยิดที่มีคนเอาะเละที่นั่นคนเยอะมีคนคนของตุหันนะของอัลลอฮ์เนี่ยที่นั่นนะเยอะอันนั้นนะโอกาสดีที่การละหมาดในบาระของเราเนี่ยจะถูกตอบรับขอให้มีมัสยิดนั้นน่ะไม่มีพัดล ม, ม, ม, มลไม่มีไฟไม่มีอะไรแต่มัสยิดนั้นน่ะมีคน มีคนซอล่ามีคนดีที่เราหวังคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ตอบรับการละมาของเขาเนี่ยนั่นนะหาเมสิทพวกเนี่ยถ้าเราอยากจะหาเมสิทที่หน้าละมาเนี่ยก็ต้องมีเมสิทหาเมสิทที่เราถ้าละมาที่เมสิดนั่นน่ะเราจะรู้สึกรู้สึกว่ามีขุชัวรู้สึกว่าละมาเนี่ยเราเราอยู่กับอัลลอฮ์นั่นะมสิทแบบนั้นน่ะ ที่ควรที่ควรแสวงหาไปละมาอภักควันตะกูมาฟี่อัลลอฮบอกว่าสมควรที่จะยืนละหมาดในนั้นนะ่ะมสัสยิดที่ถูกสร้างบนรากฐานแห่งตะก่าอันนี้มีคนมาอ้างบอกว่าเนี่ยถูกสร้างบนรากฐานแห่งตะก่าสแสดงว่าเสาเอกเนี่ยต้องมีอะไรที่มันบ่งถึงความมีตะกวเนี่ยเสาเอกเพราะเป็นรากฐานของมสัสยิด กลเป็นเรื่องเลยคือพอที่จะเข้าใจนะคือเสาเอกเนี่ยเสาเอกไม่ใช่เสานัดนะไม่ใช่เสานัดเสาเฮมเสาอะไรเสาเอกเนี่ยเสาแรกนะเข้าใจนะว่าเออมันก็คือมันก็คือเอ่อคนละอะไรเป็นเสาหลักจุดสําคัญที่สุดของมาเพราะอันแรกเสาหลักเสาเอกเนี่ยเข้าใจนะถ้าจะมีการอ่านกุตอ่านขอดั้วพอเข้าใจถึงแม้ว่าไม่มีตัวบทถึงแม้ไม่มีตัวบท แต่ต้นกล้วยขันหมากอะไรพวกอันนี้อันนี้เกีย่ยวอะไรเกิดกว่าไม่น่าจะเกีย่ยวแน่นอนเลยไม่น่าจะเกีย่ยวอะไรเลยเสาเอกตอนแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากที่มัสยิดนี่แหละพอหลังจากมีพิธีกรรมเสาเอกของมัสยิดนี่ก็ใครสร้างบ้านก็ขอแจมขอด้วย อีมามเชิญหน่อยเชิญหน่อยไม่มีเลยนะครับเรื่องเสอันนี้นี่หมายถึงว่าเจตนาในการในการที่จะให้มีมัสยิดไม่เกี่ยวกับเสาไม่เกี่ยวกับกําแพงผนังอะไรไม่เกี่ยงเจตนาที่จะทํามัสยิดเนี่ยคืออะไรเจตนาตั้งแต่แรกเลยกรรมการประชุมกันน้ารีให้มีมัสยิดเพื่อเพื่ออะไรถามตัวเองถ้ากรรมการทั้งชุดเนี่ยเพื่อตะควาตอัลลอยู่สุดยอดเลยสุดยอดเลย ยิ่งถ้าระวังในการระดมทุนสร้างมสัสยิดนี่มีขนาดชาวกุฟ้ารคนปฏิสิทธาของกุเรชนะันเ่ะจะมาสร้างกาบ้านี่ตอนที่น้ำท่วมแล้วก็พังไปส่วนหนึ่งเขามาว่าเฮ้ยเราจะมาสร้างกาบ้านแต่เราต้องสร้างกาบ้านี่จักเงินบริสุทธ์นะเงินจากโสเพณีเงินจากดอกเบีย้ยเงินขายจเวดอะไรนี่ไม่เอานะารู้มารู้รู้ คณกรรมาการมศริศนดัม ร, รมริสร้างมศิดแล้วก็ดัมริบอกว่าบริจาคพี่น้องใครที่บริจานคจานี่เอาเงินสะอาดนะเวย้ยมาแล้วนักการเมืองโอ้โหผมอยากทำบุญหน่อยเงินนักการเมืองสะอาดไหมผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมนี่ไม่ ร, มมรู้สะอาดไหมก็ถ้าไม่รู้เนี่ก็ให้รู้สิ เพราม น, น่าสงสัยไหมน่าสงสัยน่าสงสัยถามนักการเมืองนี่มีบ้านคนจนจะพังแล้วเขาไม่มีไม่ ม, ม, มีจะสร้างบ้านไปช่วยไหมย อ, อยากสร้างมัสิอยากสร้างมัสิตรงเนี้ยเพื่ออะไรถามไม่ใช่มี อ, อ, อาลัอาลตัตะกวัวบนรากฐานแห่งความเมีเยมเกรงเนี่ย มีเงินอะไรมีเจตนาอะไรมีหนึง่งมนนั้นนะ่ะที่มันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ยก็คือคนที่บริจาคแล้วก็ต้องเอ่ยนามเขาต้องลงแผ่นจารึกเขาอันนั้นนะ่ะไม่ไม่ ค, ควรไม่ ค, ควรตัแต่กว่าในีมกยมายมสั่งมือเ่เพื่ อ, อ, อลอยอย่างเดียว อย่างเดียวกรรมาการมัสยิดก็ควรที่จะสั่งสอนสั่งสอนบางทีก็ตระกูลหรือคนสําคัญคนอะไรเขาก็เขาก็อยากจะจาึกในประวัติศาสตร์ก็ให้ทําเป็นแผ่นจารึกเลยคนนี้เท่าไหร่คนนู่นเท่าไหร่คนนั้นเท่าไหร่มันไม่สวยงามผู้รู้ในมัสยิดนั้น่ควรที่จะบอกสัพพะบรุษ บอกกับคนที่บริจาคบอกกูปกปิดดีกว่ามีประโยชน์มหาศาลมากกว่ามากกว่าที่จะมามาอวดมาบอกกับชาวบ้านนะว่าฉันบริจาคไว้เท่านู้นเท่านี้ชาวกูบ้านนี่เขาชำระหน้าซาฟีริยาลนูฮิบูนอันยองเขาชอบที่จะชำระหน้าซาของตัวเองเนี่ยด้วยน้ำอุลามาก็จึงหยิบยกอายันนี้มาเป็นหลักฐานว่า การชำระน้ำาซ่าด้วยวัตถุแข็งและน้ําถือว่าดีที่สุดทําไมเพราะเป็นการกระทําที่ดีที่สุดที่อลร่อยยกย่องชาวคุปปาอ้าวแล้วถ้าชำระด้วยวัตถุแข็งอย่างเดียวเช่นเทชู่อย่างเดียวเทชู่อย่างเดียวถูกต้องไหมโซ่ทำไมถ้าถามมุสลิมในประเทศไทยนี่นะ เขาก็จะตอบไม่เต็มปากตอบไม่เต็มปากเนี่ยไปสานามบินเนี่ยไปใช้อะไรสารทิชูอย่างเดียวเนี่ยพอไม่ใช้ได้ไหมคุยใช้ได้ไม่ได้จะละหมาดแล้วก็จะซ่ามันดุ้งล้างให้เกลี้ยงถ้าคนโบราณเนี่ยไม่ซ้อเขาพูดเต็มปากไม่ซ้อเท่ชู้อย่างเดียวเนี่ยไม่ซ้อหรอกเอกฉันเลยนะเอกฉันลเนลยนะว่ามึซอ มาสับชาวีนี่ชัดเจนแล้วซ้อแน่นอนแล้วตะกอนนู้นต้องทราบว่าตกอ น, นุไม่มีที่ชู้นะอนตะกอนนู้นใช้อะไรใช่หินบ้างวัตถุวัตถุขแข็งไงหินบ้างใบไม้บ้ า, างไม้กิงก้อนหินหนึ่งบางทีก้อนใหญ่ละเนี่ยใช้ก้อนหินเดียวสามหน้าก็มีก็อนุญาตเนี่ยที่โคตระบูในในหนังสือฟิกเลยนะและถือว่าซ้อ จริงๆใช้เท็ชูชํมรานี่เกี้ยงไะมไม่เกี้ยงแน่นอนยิ่งอ้าวลองนี่ใช้ใบไมอ้อางยิ่งแล้วละ่ะก่อนเห็นหนึ่งเงี้ยเคยมพวกเราเคยมไม่เคยผมเคยชชมราดีกว่นี้ไม่เกี่ยงแน่นอนชัวร์ 100% เนี่ยไม่เกี้ยงอันนี้ที่ไม่เกี้ยงเนี่ย ที่ไม่เกลี้ยงเนี่ยอุลามาได้บอกว่านั่นแหละที่อนุโลมตังต้งแต่สมัยท่านนบีละซาร์บานี่ส่วนนาาา่าะซะล้างเท่าที่ล้างได้ล้างเท่าที่ล้างได้ส่วนที่มันล้างไม่ได้ในศา ส, สนาเนี่ให้อภยัยเรื่องนี้เนี่ยทำให้มีทัศนะของอิหม่ามมาลิกเมื่อไอหม่ามมาลิกในเรื่องการล้างน่าะซะนี่ถือว่ากว้างที่สุดถึงขนาดที่อิหม่ามอัซาลีเนี่ อิมามกษัลลีนีมูฮัมมัดอิบเนมูฮัมมัดอิบเนมูฮัมมัดอัลกษัลลีอิมามกษัลลีนีกษัลลีนีคนส่วนมากจะรู้จักว่าเป็นเจ้าของหนังสืออลูดีนในเรื่องตสาวเฟียงเดียวแต่จริงอิมามกลีนีเป็นอิมามในเรื่องฟิกเรียกว่าเป็นเป็นประศสําคัญที่สุดในมัศอับชาฟีบ้าเราถึงตั้งชื่อกันเยอะไง กอซาลีนีได้ยินยอใช่มนั่นน่ะก็เพราะอิทธิพลของอิหม่ามกอซาลีในมัซฮับชาฟีท่านได้บอกว่าข้าพเจ้าอยากเหลือเกินที่จะให้มัซฮับของเราเนี่ยของมัซฮับชาฟีเนี่ยหมือนมัซฮับอิหม่ามมาลิกมัซฮับมาลิกทำไมของเขาเนี่ยคือชาฟีนี่คริงครัดที่สุดคริงครัดที่สุดแค่ฟังคริงคริก็รู้สึกแล้วมันลาบากขนาดไหน ช, <ITA> ช any, a, marine, vida, a, marine, ั SPEAK, difficult, difficult, hygiene, arts, ้นีมาชั้วนีมีนจาซ่นี่นี่เดียนี่ละหมัดไม่ซอแล้วนี่เดียละหมัดไม่ซอแล้วเพราะอะไรเพราะการชำระนจาซ่าเนี่ยให้เกลียงนะมันเป็นฟาดูถ้าไม่ทานี่ละหมัดไม่ซ้อต้องชำระนจาซ่ในที่ละหมัดชำระนจาซ่ในเสื้อผ้าชำระนจาซ่ในตัวเรา นี鏡 asthma, 鏡่สามอย่างที่ที่เราเรียนกันดี่ฝรดูใช่ไหมอิมาฮมาลิกบอกว่าชาะหนสลามเนี่ยดีที่สุดแต่มันไม่ใช่ฝรดูมันเป็นสุนนะอัลิกมันไม่ฝรดูมเป็นสุนนะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าชาวมุสลิมแล้วก็ไม่หมดนะแล้วรู้ว่าไม่หมดละมาซ้ชวเวีีเนี่ยงชะวีีเนี่ยรู้ไม่รู้เนี่มารู้ทีหลังก็ไม่ซ้์ สมมว่ามีนาาักแล้วไม่รู้มารู้ทีหลังไนะไม่ซ้อตรงมาละมาใหม่คงนี่มา ม, มาเรอซบไปว่าถูกต้องละมาถูกต้องซึ่งมันก็เกินไปนะี่มาให ม, ม่เลคิดว่าเกินอิหม่ามอับูฮนานิวาหนี่นี่น่าจะเป็นปานกลางที่สุดอิหม่ามอบูฮานิหนี่บอกว่าอาัลฮลม อนุโลมถ้าชำรานยาซาเนี่ถ้ามีนจาซานี่เท่ากับเขาเทียบเท่ากับเหรียญดิราหมเหรียญดิราหมเล็กๆเนี่ยเท่ากับเหรียญดิราหมอ่าถ้าเทียบกับปัจจุบันก็เหรียญบาทบาทเหรียนหนึ่งแค่แะซะปริมาณหมายถึงว่าความกว้างน่ะประมาณนั้นน่ะนะพอทําเหนาหมายถึงว่าละหมาดก็ยังซ้อเขาบอกว่าเทียบเขาว่าเทียบกับ ประธานโทษเนนะี่ยเทียบกับทวันนะ่ะเออทวันนะักทวันห น, นักนี่ตอนเราชําระนี่นะถ้าชําระด้วย อ, อวัตถุขแข็งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีนะจะเาียหลงเหลืออยู่บ้างมันปฏิเสธไม่ได้ อ, อีมาบัาเนี่ยว่าถ้ามีเหลือแค่นี้ก็พอทาําเราอันนี้ในกรณีที่เราพูดในทั้งหมดนี่ในกรณีที่ เราไม่ได้ใช้น้ํำไงซึ่งคนในยุคอดีตเนี่ยส่วนมากนี่เขาไม่ได้ใช้น้ํำแต่ก่อนนู้นน่ะเขาไม่มีนะไปทำมัสยิดเนี่ยมีก nah ๊อกน้ําเยอะเนี <S <S IR ่ยเข้าห้องน้ําก็มีก๊อกน้ำสบายไม่ใช่แต่ก่อนนู้นน่ะหาน้ำเนี่หายากเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องเตรียมหินเตรียมอะไรด้วยใครที่ไปทำฮัทเนี่ยเมื่อห้าสหกสปีเนี่ยก็อาจจะรู้ด้วยจะเคยเจอเรื่องนี้น้ำเนี่ยหายาก จะก็หนนไม่เหมือนเดิมนี้นะนะไปทำไปมีนาอร่ามมุสลิฟานีไม่มีอะไรเลยะยิ่งมุสลิฟานีไม่มีห้องน้าเลยเงี้ยไรมีทะเลสัยนั่นน่ะขละจริงจริงกันทะเลสัยทำยังไงก็ต้องสําหรับแบบนี้แต่ให้เข้าใจกันให้รู้กันนะครับว่าชำระอาชำระล้างด้วยน้ําถ้ามี ก็ถือว่าดีที่สุดทำไมเพราะอันนี้อัลลอฮ์ยกย่องสหายชากูบา น, น, น, น, น, น, นี่ว่าเข้าชาระด้วยน้ำแต่ถ้าสมมุติดัวไม่มีน้ําเลยมีแต่เทชู่อย่าทําเหมือนคนบางคนทําไมไม่ละหมาดโอดมิมันล้างเลยจะซ้ำไม่ได้ทําไมอก็ ม, มีแต่เทชู่อันนี้เข้าใจผิดไม่ได้ ยอมที่จะไปละหมาดนอกเวลาไปละหมาดกระดะอนะละหมาดใช้นะจะได้ชำระด้วยน้ำอันนี้บาปบาปเลยนะครับทำบาปใหญ่นี่ก็คือทิ้งละหมาดเอาทายังไงอะ่ะก็ชำระด้วยเชู้นี่แหละและละหมาดในเวลาถูกต้องถูกต้องที่สุดแล้วคืออยากจะให้พวกเราได้ตรักและเข้าใจว่า ตามหลักการศาสนาเนี่ยชําระด้วยวัตถุแข็งเนียอย่างเช่นเท ช, ชู่เนี่ยถือว่าถูกต้องนะตามหลักการศาสนาและถึงขั้นที่อุลมามะที่ได้บอกว่าผู้ที่ผู้ที่มองว่าการชําระด้วยวัตถุแข็งไม่ได้เนี่ยเขากําลังอุดตริกรรมกํากลังทําเรื่องอุปโลงเรื่องใหม่ในศาสนาที่ไม่ไม่มีที่ไว้ทิมันนี้พวกเราให้ให้ตระหนักเพราะอะไรเพราะเดีวนี้เราก็ ไปสถานที่ต่างๆปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ยส่วนมากปั๊มน้ํามันห้องน้ำนี่มีน้ำใช่ไหมแต่เคยเจอมาปั๊มน้ํามันไม่มีน้ำนี่แปลว่าปั๊มน้ํามันนี่แบบไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยไม่มีน้ําไม่มีน้ําล้วคือถ้าคือถ้าเราระมัดระวังตัวเองแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องต้องระวังหลงเข้าห้องน้ํำนี่ก็ต้องตรวจดู เราจะล้างอะไรแช่อะไรจะได้ระวังตัวนะครับอีกทาก็ไม่มีน้ำเลยนะมีเทชูนี่ไปสนามบินไปห้างแบอะไรเงี้ยส่วนมากไม่มีน้ำส่วนมา ก, ก น, นะไม่มีน้ำดังั้นก็ต้องใช้ทชูนะครับไม่ได้รุนรงนะไม่ได้บอกว่าใช้เทชูอย่างเดียวนะเออเข บ, บอกว่าเออให้พวกเรานี่ยืดยุ่นหน่อยนะเวลาไปสถานที่ต่างๆนี่ก็อย่าเคร่งครัดเกินไป นะเขาว่าแร็งคัดเกินถึงขนาดที่บอไม่ละหมาอันนี้ไม่แข็งคัดอันนี้ไม่แข็งคัดนะอัลลอฮ์้ยูฮิบบลมุตตฮิรีมเรื่องการชำระในซาี่ถามจริงเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องน้อยเ ร, อ เ, รอเรื่องใหญ่เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ใช่ใหม่ดิง้งเอาเอาใหม่ถามใหม่เป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายง่ายหรือยากง่ายทำเรื่องง่าย ที่อมน้อยรักรักเราหนึ่งความนะเรื่องชัมระนัจซานี่เป็นเรื่องง่ายแต่มันเป็นเรื่องที่พระเจ้านี่รักเบาวของพระองค์นัแสดงว่าการชัมระนัจซาถือว่าเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธานี่จะไม่ยอมและนี่คือเหตุผลที่อุลามะได้บอกว่าคนที่มีจนาบานี่คนที่มีจนาบะสมควรที่จะรีบอาบน้ําจนาบะทําไม คือผู้สรทานี่จะไม่ปล่อยตัวให้มีมณทินอยู่กับตัวเองอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องมณทินในทุกมิตินะ่ะถ้าเขาทาบาปก็เป็นมณทินก็เขาต้องต้องเลิกบ า, บาปต้องต้อับาตัวแล้วจะเป็นมณทินที่เป็นรูปธรรมอย่างที่เป็นน า, า, ายาใสสิ่งโสโครกอย่างเงี้ยก็ต้องล้างต้องชําระถ้ามีเจน า, าย่างเงี้ยสมควรที่จะรีบอาบน้ําจนาย่าสมควรถึงแม้ว่าไม่มีฮะดีสบังคับนะ ไม่มีอายะไม่มีหลักฐานบังคับว่าต้องรีบนะแต่ถ้าเขาถึงเวลาละหมาดแล้วนะี่ก็ต้องต้องอาบน้ำแน่นอนแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาลสมมติว่านอนฝันเปียกอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ตัวสมมติว่าฝันเปียกตีนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ตัวฝันเปียกขี้เกียจหนุกแล้วก็ตื่นสูบโบนี่ค่อยว่ากันนะส่วนมากส่วนมากจะเป็ น, นแต่อุลามาส่วนมากเขาบอกว่าสมควร ที่จะอยู่ในสภาพที่ไม่มีจานาบะถ้าฝันเปียกหรือร่วมหลับนอนกับภรรยาแล้วสามารถอาบน้ําจานาบาได้เลยจะได้นอนในสภาพที่ไม่มีจานาบะดีดีกว่าได้ยินไหมดีกว่าอย่าไปพูดไปบอกว่าเช็คบอกว่าโอ้โหไม่ได้อยู่เป็นจานาบาไม่ได้เนี่ยตรงไม่ใช่นะผมบอกว่าดีกว่าแต่ถ้าเลือกที่จะนอนมีจานาบาสนี่บาปไหม ไม่บ้าที่บอกว่าดีกว่าเพาอัลล uh ah อฮฺอยู่หิบุลมุตตะฮีรีนละทรงรักคนที่ช่ำระตัวเองและขนาดที่แค่ช่ำระในเจาซ่าของตัวเองเนี่ยละรักและถ้าช่ำระมนทินในเจาซ่าที่เป็นนามมาทํำลัก น, น้อยแ น, น่นอนอันนี้เป็นมีคดีตัวตัวบทอื่นนะที่พูดถึงเรื่องการที่อลัลลอฮฺรักคนที่เตาบัดตัว เ, เราอยากได้สอง หมดเพราะมันสียนีมันจะเกี่ยวกับะนงมันจะเกี่ยวกับเรื่องมัิดรอนี่แหละอัลล์สั่งสอนสังคมมุสลิมในเรื่องการทาโครงการใดๆให้คํานึ่งทิ้งอัลลอฮ์อัฟัมล์อัสบุยานะฮอัลตะวมินอัลลอฮวริดวาน أما ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่อ่่่า่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ิ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ จับอัลลอฮ์นั้นดีกว่าบ้าคอยรุนอันนี้เป็นคำถามนะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนริมขอบเหวริมขอบเหวนึกภาพนะเคยไปนะไปยืนขอบเหวขอบภูเขาแล้วก็มีเหวอย่างเงี้ยเคยนะนึกภาพนะ บนริมขอบหิวที่จะพังทลายลงแล้วมันก็พังยูรูฟินาเรนเนี่ยยูรุฟินไปว่าขอบหิวแหรินที่กำลังจะพังทลายลงฟันหารแล้วมันก็พังแต่พังไปไหนอะฟีนาริจนนันน้ำนาเข้าลงไปในนรกจนนันน้ำอันไหนจะดีกว่าให้ วางรากฐานของโครงการตัวเองการงานของตัวเองบนความเยี่ยมเกรงต่อรัฐสภาเนะวิตาแลหรือไม่มีความตะ ก, กว่าเท่ากับไปวางรากฐานหรืออาคารของตัวเองเนี่ยบนริมขอบหวบนริมขอบหวก็หมายถึงว่าเสียเส่ยงเสี่ยงการงานที่มีความเสี่ยงก็คือการงานที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ การงานที่รูปแบบไม่ตรงกับแบบฉบับไม่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนาบีสุลต่านอะไสัเสียงเสียงเพราะอะไรเสียงเพราะมันไม่มีไม่มีอะไรรับรองถึงความถูกต้องไม่มีอะไรรับรองความถูกต้องทำแล้วล้วก็บใบวันเกียร์มาคำถามแรกที่ต้องเจอแน่นอนใ ค, ใ, ใครใช้ใครใช้ทำ ทำแล้วทำหัทำเงินนักหนาทำกันหนูขยันกันทำเหลือเกินถ้าเจอคำถ้าเจอคาถามเดียวนี้ก็ไปไม่ไปไม่ได้เลยนะใครใช้ทำละหมาดนู่นละหมาดนี่ทำไอบาดาแบบนู่นแบบนี้และไม่มีแบบใช่ไหมไม่มีตัวบทรับรองความถูกต้องของมันเนี่ยล้วจะตอบอัลลอฮฺสวาสนะว่าอะไรไงอัลลอฮฺอลงท่าบอกว limit วัลลอฮฺนั้นจะไม่ชีนะทางไม่ให้ทางนำ แกกลุมชนที่อาธรรมแสดงว่าคนที่ไม่ระวังการงานของตัวเองให้ถูกต้องให้มีตะ ก, กวัวนั้นถือว่าเป็นผู้อธรรมอาธรรมตัวเองที่ไม่ไม่ให้กา ร, การงานนมีความเรียบร้อยคนที่มีการงานที่ไม่ได้ถูกวางบนรากแห่งตะ ก, กวัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เขาตามไปแล้วแล้วไปนะไม่ใช่นะ เพราะชาวมุสลิกจีนที่ไปสร้างมัสยิดเพื่อสร้างความแตกแยกความเสียหายในสังคมมาดีแน่นั้นเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สร้างความระแวงสร้างความสงสัยความแข่งใจในหัวใจของเขาเนี่ยแทบตลอดชีวิตเป็นเป็นการงานที่อลดประนามอย่างรุนแรงถึงขนาดที่บอกว่าการสร้างมัสยิดเนี่ยกุฟรันเป็นกุฟร มแน่นอนสิบสองคนนี่ที่ที่ที่ร่วมให้ความร่วมกับเรื่องนี้เนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเขาต้องเขาต้องเขาต้องระวังตัวเองสหาบานในเรื่องนี้เนี่ยเขาระวังมากอมาริบเนลขดต้อนนี่สงครามฮุดาเบียที่นบีเนี่ยเลือกที่จะทำสัญญาสันติภาพกับชาวคเิชเกือบจะสู้รบกันแล้ว และตอนนั้นนะมุสลิมก็มีกองทัพที่สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วแต่น บ, บีเลือกไม่รบเลือกที่จะสงบศึกอุมอุร์ดลขดตบไม่เห็นด้วยก็ไปเถียงกัทบท่านนบีสุลลาะซะลท่ า, ลลลาทนน บ, บีทำมาทำให้เราเราไปต่าต้อยเขาละทำไมเราต้องไปอ่อนข้อให้เขาทำไมต้องไปยอมมันล่ะแค่นี้นะเขามีความเห็นแล้วก็ไป แลกเปลี่ยนกับท่านนาบีเทียงกับท่านนาบีแค่นี้นะเขามือเขาบอกว่าขาบเจ้านี่ทําความดีตลอดชีวิตเพื่อลบล้างพฤติกรรมเนี่ยคือทําความดีตลอดทำดีทำทำเพื่ออะไรทําเพื่อไปชดที่เขาบังอาจไปเถียงท่านนาบีแค่เถียงท่านนาบีนะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องต้องระวังและไอ้คนที่ ส, สร้างมรรสิจะได้ สร้างความแตกแยกในสังคมมาดีน่ลจเขาจะยังไง่แค่เถียงท่านนบีเนี่ยซาบะเขายังมองเขาถูกอบรมให้เกียิให้เกียดท่านนบีซาร์ลล่ะขนาดนี้แล้วพวกมูนาเบกนี้ที่ก็ต่อต้านท่านนบีจะแต่เขาก็จะคิดยังไงเราสอนพวกซาบะนี่จะเรียกท่านนบีเนี่ยอย่าเรียกมุฮัมมัดมายานนะละจะจะรู้ด้วยรับสุลิเป็นคำคัดด้วยกาบางที่คุมบักแด็กมุฮัม ยา رسول Allah ตรงนี้พร้อมตาแหน่งฉายาของท่านยา رسول Allah ยานบียเมูฮัมัดนี่ไม่ได้ถ้าได้ยใครอับบาลก้ซิมนี่ฉายาของท่านนบีรู้เลยวไม่ใช่มุสลิมใครอยากิวยิวก็จะเรียกอับบาลก้ซิมไม่เรียกนะมูฮัมหมัดนะรสมิเรียกแต่ผูดสัตยานี่มันยนอะั้งู ل a l l a ยานบียขยกนบีนี่ก็ เราต้องฟังอัสว่าุงฟังก็อย่าให้เสียงโทนเสียงเหนือเหนือกว่าโทนเสียงคิดดูสิเขาต้องรู้ว่าเสียงนบีโทนไหนเนี่ยเขาอย่าให้เหนือกว่าโทนเสียงท่านนบีแต่ขอประตูนี่มันประตูนบีไม่ใช่เหมือนประตูชาวบ้านนะก้อก้อก้อเหมือนต้องมีมารยาทต้องแสดงมารยาทใช้ปลายเล็บเนี่ยเขาถูกอบรมไหมไอ แล้วมันอันวิ่งเนี่ยมาทําแบบนี้เนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยเขาเป็นคนเขาจะรู้สึกตัวเองไหม Allah Jalibab แล้วยาลบุนญาขอุพวกเขาีบรรนวรีบัติมฝีกลุ่มของพวกเขาพฤติกรรมที่เขาทาเนี่ยที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นอัลลอฮฺบรนาที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยยังคงเป็นที่ระแวงสงสัยอยู่ในจิตใจของพวกเขาเขาต้องเขาต้องคิดอยู่ตลอด เขาต้องระแวงอยู่ตลอดมันมันมันไหายานะมันคือความชิบหายอิลลัอันตะกะตะกุลบุห์จนกระทั่งหัวใจเหล่านั้นหัวใจของคนเหล่านั้นนะ่ะนะจะแตกออกเป็นเสียงเป็นเสียงเสี่ยงตะกะตาะแตกออกเป็นเสียงเสียงอุลมาได้บอกว่านี่เป็นสำนวนสารับเนี่ยหัวใจเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแตกที่จริงเนี่ยแปลว่า ขาดน่าจะน่าจะเข้ามากกว่าเพราะคำว่า ต, กตอก็ตอบไปว่าฉีขาดเราก็พูดเราก็ใช้หัวใจหัวใจหัวใจเทบขาดขาดแตกนี่ยมันอะไรมันอกหักกระเลเงี้ยหักแตกอะไรเงี้ยแต่นี่ขาดนี่มันน่าจะใกล้เคียงกว่าตะกัดตอกอุลูบูฮง อุลมะบอกว่านี่คือสำนวนในภาษาอังกฤษเนี่ยหัวใจขาดชีขาดนี่หมายถึงว่าเกิคดความเสียใจที่ร้ายแรงร้ายแรงเพราะอะไรเพราะความผิดของตัวเองและที่ผมบอกกับพี่น้องจากอายะนี้นี่ที่อุลมะได้บอกว่าทุกบาปเนี่ยที่เราทําเนี่ยควรที่จะมีความเสียใจเสียใจเท่ากับความสุขที่ได้มาจากบาปนั้นๆ ตอนนั้นเขาสร้างมาสิตแล้วก็รู้สึกอลังการเขารู้สึกโอ้เนี่ยเขาได้ผลงานดิเขาต้องเสียใจมีความเสียใจเทียบได้กับเท่ากับความสุขที่เขาได้มาคนที่ทําดีนาคนที่กินเหล้าคนที่เสพยาคนที่นินทามันปากใส่ร้ายว่าคนอื่นแล้วก็รู้สึกมีความสุข ทุกคนเนี่ยที่มีบาปชนิดหนึ่งชนิดใดนี่นะถ้าจะเตาบัดตัวนี่นะต้องมีความเสียใจ้ความเสียใจนี่แหละที่ท่านนบีสุลต่านสลอมได้บอกว่ามันเป็นเงื่อนไขมันเป็นโครงสร้างของเตาการเตบัดตัวในบันทึโกอิมาอับบมัดท่านนบีสุลต่านสลอมได้บอกว่าอันนั่นเดมุเตาบาการเสียใจคือการเตาบาคือง่ายๆถ้าเราเสียใจนะแสดงว่าเราเตบัดตัวแต่เสียใจแบบไหนอเสียใจ ฉันเสียใจไม่ใช่อย่างนั้นเสียใจในิวละมาได้มีเงื่อนไขที่จะบ่งถึงความเสียใจเสียใจรู้สึกเสียใจสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกนะ่ะสิ่งที่มันจะอยู่ในความรู้สึกในความสำนึกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองพลาดรู้สึกว่าตัวเองโง่รู้สึกว่าตัวเองไม่รอบคอบ รู้สึกว่าตัวเองถ้าย้อนกลับนี่จะไม่ทําโดยเด็ดขาดไม่น่าจะทําโดยเด็ดขาดอันนี้เรื่องความรู้สึกแต่พฤติกรรมมนะัน่ะคือเรื่องแรกเนี่ยน้าตาไหลอันนี้เป็นสัญญาณสัญญาณวัวเสียใจือเสียใจน้าตาไหลรู้สึกเป็นห่วงคนอื่นที่ทําบาปที่ตัวเองเคยทําอันนี้แสดงว่าเราเสียใจจริง ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยทำในบาปที่เราเคยทําอันนี้ใช่อัลลอฮฺอาลลมฮ์ทรงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญก็นี่คือสี่อายะที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องราวของมัสยิดอัลกุรอร์นะครับก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับวันนี้เราได้มีพี่น้องจากนิวมูนที่จะมารับอิสลาม กับเราเคยเคยมาก่อนหน้านี้ม า, มาเรียนกับเราว่าแต่เรียนที่นูน่นใช่ปะ่ะดูนาเชิญครับน้อง